ธรรมชาดกแผ่นที่เจ็ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6เมษายน 2,556 หมีชื่อเรื่องว่าอัชาติสัตรูรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้ทาง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 อาจจะเป็นการยกย่องวัดหรือว่าที่อยู่ของเราก็ว่าไดา้แต่หลวงพ่อคิดว่าร้อนกว่าร้อนกว่าวัดของเรามากเพราะวัดของเราส่วนหนึ่งก็มีน้ำก็มีพอสมควรแล้วก็ป่าไม้กว่าที่แดกมาลงจะเผาลงมาสู่แผ่นดินก็มันก็ถูกกับใบไม้ประทะกับกิ่งไม้ต้นไม้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 ปูนจะเม่นมากอยู่ในป่ากว่าที่แดดจะเผาลงมาผ่านต้นไม้ลงมาสู่แผ่นดินก็แผ่นดินและใ บ, บไม้มันก็ปกปิดแผ่นดินไว้อยู่ก็มีส่วนหนึงมั้งที่ทำให้วัดของรอมที่ไม่ร้อนระอุ ก, กลางคืนแต่ที่อย่างไงกลางคนืนก็ต้องได้ไดใช้ผ้าห่มเหมือนกันนะก็แปลกเหมือนกันนะ แต่ว่ากลางวันก็ร้อนก็จริงแต่ว่ากลางคืนนี่หนีจากาผ้าห่มไม่ได้ต้องมีผ้าห่มไว้ผืนหนึ่งแต่จะทำยังไงได้ล่ะเราอยู่ในท้องฟ้าไม่ร้อนก็หนาวแต่จะอากาศจะพอดีพอดีนั้นงคงจะหายากเหมือนกันบางทีกับบางประเทศกับพายุทม่มแผ่นดินไหวสินามิอย่างเนี้ย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 อยู่ในประเทศไทยถึงยังไงก็คงจะไม่ถึงการร้อนตายถ้าไม่ไปตากแดดจริงๆนะถ้าไปตากตากแดดจริงๆก็อย่าง่าถแต่มันร้อนข้นมาเราก็มีน้ำอยู่แล้วนี่ก็พวกเราเป็นนักศึกษาที่มาบวชในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็เห็นใจลูกหลานเหมือนกันแต่เห็นใจหลวงพ่อ้วยเหมือนกันอนะพอมันร้อนจะทำยังไงต้องอดทนอะ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 เวลาพ่อแม่ดุด่าว่าเกา่าครูบาอาจารย์ดุด่าว่าเกา่าทนไม่ไหวถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าขาดขันติคือความอดทนไปอยู่นสฐานที่ใดโบราณเ็บอกว่าไม่ดีถ้าคนขาดความอดทนถ้ามีความอดทนแล้วใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดรอบขอบ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 เออเดินสงบนิ่งดูมันมีอะไรเราต้องสู้ได้ทุกรูปแบบเพราะความอดทนของเรามีเราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องศึกษาอันนี้คือคแขนงหนึ่งเมืองเหมือนกับพวกเราไปเรียนฝึกหัดรอรออย่างนี้แหละหรือว่าไปฝึกหัดงานอย่างเนี้ยเราจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้บึงเขามันก็ต้อง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 จะไปทำความชั่วแล้วไปอดทนต่อการกระทํานั้นอ่าน้ก็ได้อดทนได้แต่ผลออกมามันชั่วมันไม่ดีอะไรที่อดทนต่อความชั่วนันอดทนไปซื้อขายยาบ้าหลบปลีกไปอยู่ในป่าดงพงไพ่บางคนเป็นนอนแช่น้ำอยู่กลัวตารวจจะจับอย่างนี้อดทนอยู่งั้นแหละขึ้นมาก็ไม่ได้กลัวตารวจเยนีย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 ให้มีความมีให้มีขันติในจิตใจแล้ว ป, ประกอบคุณงามความดีอย่างที่พวกเราสวดสักขูนี้ชาลาตโมโหิเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะได้ทำกรรมอันไหนไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นกรรมมายนิกรรมมพันธุกรรมปฏิสาราณาเราจะทำกรรมอันไหนไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น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 เมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จออกไปทรงผนวดอยู่ในแม่น้ำอโนมานาทีจากนั้นเข้ามาบินธบาตในกรุงราชคือพระเจ้าพิมพิสารได้พบเห็นพระพุทธเจ้าก็กราบไหว้แล้วก็ขอมอบแผ่นดินกรุงราชคือให้เล ย, เยไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ไม่รับ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 ปัญจวัคคีย์เสร็จแล้วท่านก็มาโปรดสรินสามพี่น้องอุรุเวลานาทีกตตปะเจกแล้วท่านก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจากนั้นก็ได้มาสร้างวัดปา่าเวลุวันเป็นสวนสวนที่ออกกำลังกายแล้วว่าสวนมันก็สวนลุงพินีอย่างไรศานาอย่างนี้คงจะนอกเมืองพอสมควรเป็นสวนใหญ่สวนป่าไม้ไัย พระเจ้าพิมพิสารถวายพ ร, ยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์รับสวนเวรุวันป่าไม้ไผ่จากนั้นพระพุทธองค์ก็สร้างทําเป็นวัดขึ้นมาเป็นที่พักพาอาศัยสําหรับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้ดูเป็นหลักอยู่ในกรุงราชสักคก็คือวัดป่าเวรุวันเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสน า, ศา แต่เนี่นเมื่อสร้างเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารกับวัดปาเวรุวันกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระพุทธองค์ก็ไปฉันบินถวายในกรุงบ่อยๆเมื่อพระเจ้าพิมพิสารนับถือเป็นพุทธศาสนาชนเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนูปถฐมภกท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน เมื่อได้สำเร็จโสโคดาบันแล้วกันเป็นผู้แน่นอนต่อมาอีกพระอัครมเหสีท่านหนึ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระหันคือนางเขมาแต่พระเจ้าฟิมพิสารมีอัครมเหสีท่านหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้องสาวของพยาปเสนปรเสณที่โกศล แต่พ่อของพญาประสิทธิโกศนี่วรียกว่าพญาโกศนพระเจ้าปดินโกศนกรุงสาวัตถีแต่นี้พระเจ้าโกศ น, น, น, น์ก็คงมีลูกหลายคนแต่ไม่ชัดเจนว่ากี่ท่านกี่คนแต่คนหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงและก็พระเจ้าพิมพิสารเลยไปขอแลวก็มาเป็นอัคมเหสีกรุงราชคือต่อมา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 คืออยากจะกินเลือดในหัวเข่าของสามีพอผลสุดนางก็เลยพูดให้ใครตกใครผู้ที่อยู่ใกล้ชิดฟังพระเจ้าพิมพิสารเอาได้ทำไมจึงแพ้ท้องทำไมจึงอยากจะกินเลือดในเลือดเข่าของพระเจ้าพระสวามีเพราะเหตุไร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 แต่ฆ่าพ่อปิดาแล้วก็จะแย่งราชสมบัติเป็นพระเจ้าเป็นดินแทนพระบิดาแต่นี้นทําำยังไงพระเจ้าพินพิสารโอ้ยไม่เป็นไรอลูกของเราเนี่ยถึงจะลูกไม่ฆ่ากว่าจะตายอยู่แล้วไม่เป็นไรเรารับได้ไม่ต้องทําอะไรทั้งหมดให้ลูกออกมาเลยเห็นหน้าลูกนล้วก็ปลื้มใจแล้วพระเจ้าปินพิสานห้ามเลย จากนั้นพระ อ, องค์ก็หาแพทย์หลวงมากัดเจาะเลือดจากหัวเขา่าให้อัคคมเหสสีเสวยสวยเลือดนางก็ได้สวยเลือดในหัวเข่าของพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็หายแพ้ท้องพอหายแพ้ท้องที่นี่นางโกศลนี่ก็อัคคมเหสสีโอ้ถ้าลูกออกมานี่ยไปหาค่าพ่ออย่างนี้ มันจะเกิดอันนั้นอะไรกันจะเป็นมงคลอะไรลูกกับลูกข้องเราท้องของเราเราควรจะฆ่าทิ้งรีดออกนะนางก็คิดเลยแต่ว่านางคิดเลยเกิดมงนคงจะคนกลับไปพูดให้พระเจ้าพระเจ้าพิมพิสารฟังพระเจ้าพิมพิสารก็ห้ามให้คนดูแลไม่ให้ทำเพราะว่าที่ยังไงก็ลูกของเราอย่าอย่าทำเ้อะ ใครๆก็คงจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเชื่อโหนหนทํานายจากนาง น, านี่ก็ยังไม่ลดละความพยายามบอกเอาเถอะเมื่อรีดในพระราชวังไม่ได้คงจะออกเป็นรีดในสวนอุทยานนางก็บอกกระสิบกระซาบคู่คนขอให้ออกออกเป็นรีดลูกออกจากท้องให้เถอะเพราะว่าฟังฟังรูง้ดูแล้วไม่เป็นมงคลอย่างมาก จากนั้นก็พอพระเจ้าพิมพิสารได้ยินอีกถึงหูพระเจ้าพิมพิสารอีกพระเจ้าพิพมพิสารอีกห้ามอีกอพรอว่าไปอย่างว่าเพราะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปนักสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายคนหนึ่งก็เห็นด้วยคนหนึ่งก็มาเห็นด้วยเนีคนหนึ่งก็พูดให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารก็เลยห้ามไม่ให้นางสเสด็จไปอุทยานอีกต่อไป โผนที่สุดนางก็ได้ครบครบคลอดเก้าเดือนนางก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายดูแล้วแข็งแรงกำยำโผนก็เลยมาตั้งชื่อว่าอาชาตชาติตรูกุ ม, มารอาชาตชาติตรูกุ ม, มารแปลว่าเป็นกุ ม, มารเป็นศัตรูก่อนเกิด ความหมายและความแปลเป็นศัตรูก่อนเกิด ก, ก่อนที่จะเกิดมากเป็นศัตรูกับพระเจ้าแผ่นดินแล้วกับพระเจ้าพ่อแล้วพระบิดาแล้วต่อมาอีกพระเจ้าพิมพิสารก็เลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักที่สุดสมัยหนึ่งลูกชายเป็นฝีเป็นฝีอยู่ที่เข่า พระเจ้าพิมพิสารมองดูแล้วกลัวลูกจะปวดกลัวลูกจะเจ็บถ้าไปบีบออกหรือว่าใช้อะไรเข้นออกหรือผ่าตัดออกพระเจ้าพิมพิสารใช้ปากดูดดูดหัวฝีออกจากออกจากเข่าของลูกชายถึงขนาดลนะความรักพ่อกับลูกทั้งแม่ก็ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ก็ต้องรักด้วยการนั่นแหละ พอต่อมาอีกวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เข้าไปฉันในเวียงวังในไปฉันในพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารแต่เนี้นเขาก็เอาลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าซาตตัวกุ ม, มารและซาตตักุ ม, มารมามอบให้มาเอามาให้พระเจ้าพิมพิสารขณะที่พระเจ้าพิมพิสารกําลัง จะฟังปรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่แตนี้พอพระเจ้าพิมพิสารได้รับลูกชายเอามานั่งอยู่บนพระเพลาคือนั่ง บ, บนตักจากนั้นก็หยอกล้อ ก, กับลูกชายใครๆบเกเพลิดเพลินเห็นลูกชายแล้วลืมก็ตั้งพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยกางอ่ะพอเห็นลูกชายแล้วก็ลืมช่วขณะหนึ่ง พระพุทธเจ้ากําลังเทศงนาอยู่กําลังแสดงทำอยู่เห็นพระเจ้าพิมพ์รริสารเผลอไผลไปอย่างนั้นคือไม่ได้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปเทศน์นสถานที่ใดไม่ใช่ของหาฟังได้ไง่ายๆต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยเรื่องต่างๆเรื่องจะต้องมีมีมรมีผลในจิตใจไม่ใช่ว่าจะเข้าไปแบบไม่ได้ใส่ใจ พระพุทธองค์ก็เลยเตือนพระเจ้าพิมพิสารบอกว่ามหาปพิธในครั้งก่อนหน้านี้การที่รุ่มหลงกับกุ ม, มารกับลูกเนี่ยไม่เป็นผลดีเพราะว่าในครั้งกันนู้นกุ ม, มารเนี่ยเขาขังไว้เลยนะนจนพระบิดาสวรรคตรก่อนจึงปล่อยออกมาจากกรงขังจอกมาจากคุกจากตารางที่คุมขัง มาให้สวยราดเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องดูนะอันนี้พระพุทธเจ้ารู้แ่ะเตือน่ะเตือนไกลๆอย่างนั้นแต่ว่าความรักลูกของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ฟังนะใกล้วๆว่าออขนาดถึงพระพุทธเจ้าเตือนขนาดนั้ก็ยังบบเป็นไปได้หรือลักษณะอย่างนั้นแหะเพราะปุะุชนเนี่ยเพราะความรักเนี่ยแต่ใ น, นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ เอาลูกชายไปขังไว้ซะก่อนจนพระเจ้าเป็นดินพระบิดาสวรรคตรซะก่อนจึงได้เอาลูกชายออกมาเพื่อจักรวรรดิขังไว้พระอดค์ว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีทีนี้พระเจ้าพ ม, มาทัดส่งลูกชายไปเรียนเมืองตะกศิลา กับไปเรียนกับทิชชะประโมกอาจารย์พอไปเรียนจบแล้วอาจารย์มองดูมองดูโงเฮงมองดูพระราชกุมารเนี่ยพระราชกุมารคนนี้เนี่ยเมื่อได้ครองราช้าวัาได้ลูกชายคนโตโลกลูกชายคนโตเนี่ยจะฆ่าพ่อจะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินคนเนี้ยที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, นะจะครองราชแทน แต่เอาเถอเมื่อเรารู้แล้วเราจะให้กล่าวคาถาสอนคาถาให้ให้เขาว่ากล่าว<ม>เมื่อเขาจำเป็นจะต้องกล่าวท่นี้ก็อแนะนำเลยแนะนาพระราชกุมารกรุงพารันสีก่อนที่จะกลับไปกลุงพารันสีกลับไปเมืองเพื่อถวายหรือว่าไปแสดง ความสามารถวิชาที่ตัวเองได้เรียนเมืองจากจบเมืองจากเมืองตะกะศีลาดางนั้นพอจะกลับไปพระเจ้าอาจารย์ที่สัปามโมกเลก็เลยสอนเป็นวิชาให้แล้วก็สอนเสร็จแล้วก็ให้กล่าวนะเมื่อได้ลูกชายคนโตอายุ16ปีนั่นะเมื่ออายุ16ปีแล้ว พออายุครบ16ปีให้กล่าวคาถาอย่างนี้ในขณะที่กำลังจะทานอาหารให้กล่าวคาถาอันนี้ในขณะที่ออกงานในราชสำนักให้กล่าวคาถาคำนี้ในขณะที่อยู่บันไดที่จะขึ้นไปห้องบรรทบแล้วก็ให้กล่าวคานี้ ในขณะที่อยู่ในห้องบรรทมทิศักปรมโมกจารย์ประดิษฐ์ษษคำพูดไว้ให้เลยจากนั้นก็จำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วกันกใส่ใจว่าอย่าลืมนะแต่นี้พระเจ้าพระราชาุมานกรุงพรารันสีจำไว้พอต่อมากับมากลับมาถึงกรุงพรารานสีแสดงความสามารถให้แก่พระบิดาดังนั้นพระบิดาก็ะฏิเสธ ขึ้นมาเป็นอุปราชจากนั้นก็พอพระบิดาสวรรคตแล้วก็เต้รับอภิเษกขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อพมประทนะัพอต่อมาได้ก็ได้ขอมงคลสมรสก็ได้ลูกชายคนแรกคนหัวปีก็เลี้ยงดูจนถึงอายุสิบหกปีพออายุสิบหกปอีอาจารย์ได้เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เราควรจะ กล่าวคาถาอย่างที่อาจารย์บอกกล่าวนะคือพออายุสิบหกปีเจ้าฟ้าชายหนุ่มคนนี้ก่อนนะั้นคิดจะแย่งราชสมบัติจากพระบิดาทีไหนคท้ายๆว่ามีความคิดขึ้นมาจะจะแย่งราชสมบัติจากนั้นก็ไปพูดกับพวกมหาดเล็กจะเอาอย่างไงวะเราคิดอย่างนี้อย่างเนี้ยพวกนั้นก็เสริมทันทีเลยเอาได้นะี่ควรจะทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้น ทำอะไรเป็นอันดับแรกคือให้อาหารให้อาหารที่เป็นพิษกับพราชาอาหารอย่างกินเข้าไปแล้วก็แปลว่าเป็นพิษอย่างแรงแต่นี่กับวันนั้นกพระราช ก, กุ ม, มารเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าเป็นครัวต้นเลยไปคุ้มเรื่องอาหารพอทูมาพระเจ้าเป็นดินกล่าวคาถาขึ้นในก่อนที่จะสวยสวยอาหาร แต่กุมารนยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ยาพิษแต่กำลังเตรียมแล้วยืนๆ น, นั่นนะคุ้มเชิงอยู่หาจังหวะอยู่พระเจ้าปดิณิกล่าวาาคาถาขึ้นว่าหนูอยู่ในที่มืดหรืออยู่ในที่แจ้งก็เลือกกินข้าวสารหรือว่าแกลบหนูก็รู้รำหนูก็รู้ ข้าวสารหนูก็รู้เพราะนั้นอย่าไปอย่าไปทำให้หนูหนูจำให้รู้ในเหลืองถิงเหล่านี้ไม่มีเจ้าชายหนุ่มรู้เลยอือพระบิดาคงรู้กับเรื่องเราแล้วเนี่ยมาก็เข้าเข้าประเด็นเป๊ะเลยที่เราจะเอายาใส่เนี่ยพระบิดารู้ อย่ามาใส่นะถึงจะใส่เที่ยวใส่เราก็รู้อยู่แล้วใครจะใส่ใครจะทําอะไรลักษณะเนี่อจีน่าก็เลยหยุดไม่ใช่ออกไปโอ้พ่อคุณพระบิดารู้แล้วเรื่องเรื่องต่างๆเป็นความมั่แตกแล้วนะแต่นี้ก็เฉยอีกพอต่อมาอีกพระเจ้าแป่นดินจะออกงานอีกไงแล้วคนนี้จะซดดาบอะไรที่จะเป็นฟันพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าปณินก็กล่าวคาถาขึ้นมาอีกก่อนที่จะออกงานใครจะทำอะไรให้กับข้าเนี่ยข้าก็รู้ไม่ข้าไม่รู้เอาเถอะถ้าข้ารู้ไว้หมดแล้วในสิ่งที่ส่เา้ิคิดจะทำคล้ายลักษณะอย่างนั้นแะพอครั้งที่สองขึ้นไปบรรไดพูดอีกพอครั้งที่สี่พูดอีกพอครั้งที่สี่เข้าไปซ่อนอยู่ใ ต, ใต้ห้องบรรทม เออพระเจ้าเป็นดีเงือขึ้นไปอยู่ห้องบอกว่าใครอยู่ในแถบนี้ข้ารู้ทั้งหมดเออถ้าอันนั้นออกมาข้าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งหมดข้าจะต้องจัดการตามกฎระเบียบพอได้ยินท่านไหนฟ้าชายโผล่ออกมา ล, กลูกชายโผล่ออกมาออกมาโอ้ยอมรับพ่อแล้วเออ <S <S 2> <S 2> เมืองเรื่องอะไรอเลย ร, รู้พอรู้จากนั้นก็เลยขัง ขังลูกชายให้โภนะขังลูกชายเอาไว้จนจนกว่ า, าพระบิดาสวรรคตรแล้วยังค่อยเอามาคลองราชสมบัติต่อไปในพระพุทธองค์พูดให้พระเจ้าพิมพิสารฟังในขณะที่พระเจ้าพิมพิสารถามว่าอันตรแต่ชาตินั้นเป็นยังไงพระเจ้าข่าที่ขังลูกชายไว้จึงสวยราชพระองค์ก็ได้พูดจบ แต่พระเจ้าพิมพิสารเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเพราะความรักในพระเจ้าชาติสุที่เป็นบุตรชายของตนเองเเพอจากนั้นต่อมา ล, ลูกชายก็เป็นใหญ่ขึ้นมากันเลยนะได้จับพระบิดาแขังที่ไปข่มสมทบกับพระเทวทัตนจนถึงพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยไปขังไว้ตีนเขา มองเห็นกิจกูดเขากิจกูดเห็นแสงไฟล่ำลายกลางคืนก็มีปีติมีความสุขถึงจะไม่ได้ทานอาหารซึ่งไม่ได้ทานน้าก็มีความสุขทางด้านจิตใจผลที่สุดพระเจ้าซาตูที่เป็นบุตรชายเขาเอามีดเอามีดกรีดฝ่าเท้าไมา่ให้เดินได้ไม่ให้เดินจงกรมในห้องโอ้ทรมานห ล, ลายอย่างเดือพวกเราอ่านในพระตไตรปิฎกเขาแล้วกันเถนิ่เออจากนั้นก็พระเจ้าปิมพิสารก็เลยสวรรคต กษัตริคตนกเสร็จแล้วพระเจ้าอัสซ า, าสตูประสูตดพระราชโอรสของตัวเองอีกเหมือนกันในวันนั้นแต่นี้ก็พระเจ้าพิมพิาสารกษสตริคตในวันนั้นพระเจ้าอัสาสตูก็ได้ลูกชายในวันนั้นแต่นี้พอทั้งสองอย่างคือสวรรคตกับวันเกิดโภคอมต มหาดเล็กที่จะเข้าไปเสนอเรื่องราวให้กับพระเจ้าพระชาติศัตรูเนะี่ยพอเดินไปไปเจอกันหยุนอยู่หน้าประตูวังมาอะไรตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารพระบิดาสวรรคคตแล้วนะมาเร่องก่นึงว่ามาอะไรผมมากราบทูลพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวลูกชายของพระองค์ประจุดแล้วพระองค์ได้ลูกชายแล้ว ก็เลยปรึกษากันอำหมาตสองคนไอ้ใครจะเข้าไปก่อนอันหนึ่งตายอหนึ่งเกิดก็เลยเอกเกิดเข้าไปก่อนมาไปเกิดเข้าไปก่อนเนีตอนนี้ก็เกิดก็เข้าไปไึกราบทูลพระเจ้าชาติศัตรูโอ้พระองค์ได้ลูกชายแล้วหน้าตาหน้ารักร่างกายแข็งแรงกูดรรยายจบโอ้ดีใจกําลังใจฟูอยู่ก็อือพระบิดาของข้าเนี่ยพระเจ้าพระบิดาคงจะรัก เราเหมือนกับเรารักลูกีนเมื่อวันแรกนะอย่คิดถึงพ่อเลยนะทีนี้พอคิดถึงพ่อพระบิดาคงจะรักเราเหมือนกับเรารักลูกในวันนี้นะแต่ทำไมเราจะไปหาขังพ่อไว้อย่างนั้นตอนนี้พอพอจบได้วทีนี้คนนิกลาออกอัมมัดคนน้ลาออกผมอัมมัดคนที่สองก็เข้าไปเข้าไปมาไรพระบิดาสวรรค์คดแล้วไปเจ้าพารอะไรล่ะ บอกว่าพระเจ้าพิพิสารพระบิดาสวรรคตแล้วพระเจ้าขาดเท่านั้นแหละหมดสติเลยคล้ายๆกับว่าโอ้โหเยมันเป็นความคิดที่ขาดไม่ถึงเลยว่าพระบิดาจะสวรรคตนะตัวเองเลยหมดสติหมดเป็นลมเลยในช่วงนั้นพระเจ้าอิชาศตูมาสำนึกนึกได้เมื่อพ่อตายแล้วนะจากนั้นก็ถามสองสามครั้งหรือเอ จบแล้วทำาไงได้จากนั้นก็เสียใจัเ่ยไปกราบพ่อแม่พรมานดาพ่อแมนาดาเป็นไงสมัยเมื่อผมเป็นกุมารพระบิดารักผมไม่แม่โอ้ยไม่รักยังไงลูกลขนาดเป็นฝีเนี่ยยังไม่ให้ใครบีบใครเค้นออกกลัวลูกจะเจ็บปวดใช้ปากดูดหัวฝีออกจากหัวเข่าของลูกจะไม่รัก ขนาดไหนยังไงพระบิดาลักลูกมากโอ้พระเจ้าห่อชาติตัวก็เลยลุกศึกเสียใจอย่างมากแต่จะทํำยังไงได้พระบิดาก็สวรรคตไปแล้วต่อมาอีกพระเจ้าชาติตัวกออ็บอบช้ําทางจิตใจคิดมากคิดหนักเหมือนกันต่อมาอีกพนางอาคเมศีพระเจ้าปิมิสานก็สวรรคตอีก ตายอีกเพราะว่าคิดถึงพระสวามีนี่แหละอันนี้ก็ต่อมาพระเจ้าเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าทร้างศัตรูกับคลองราดในหละช่วงนี้คือพระเจ้าพระเศษที่โกศลกรุงสาวัตถีก็ยกพลมาเพื่อจะแจ้งเอาราชสมบัติเพราะว่าพระเจ้าหลานเนี่ทําตนไม่ดีฆ่าพ่อและแม่ตายอีกต่างหากก็ขนาดอย่างนั้นนี่แหละที่สาทกเรื่องนี้ขึ้นมา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 เป็นผู้มีความผิดผู้มีเมตตาเป็นพรมของบุตรเป็นผอมผู้อยู่ในผอ ม, มวิหารแล้วก็เป็นพระหานของบุตรธิดาเป็นบุพก า, ารย์เป็นอาจารย์ของแรกเป็นคนแรกของบุตรธิดาเพราะนั้นท่านยกพระบิดามารดาของเราเนี่ยสูงมาก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 พ่อแม่เป็นพระหรหันของบุทธิดาฮะมันใช่ไม่ใช่ว่าเป็นพระหรหันของทุกคนไม่ใช่บทธิดาถ้าเรายังล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ตนเองไม่ได้ก็ชักจะเกินไปเสียแล้วเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาขนาดไหนถ้าเราท่านไม่ไมเลี้ยงดูเรามาเราจะอยู่เราจะได้เป็นใหญ่โตถึงขนาดนี้เหรอเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราเลี้ยงท่านตอบ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 เป็นมหาศาลมากมายอันไหนก็คือพ่อแม่ทั้งหมดที่ให้เรามาให้ความรู้เามาเราให้แนวความคิดเรามาเลี้ยงดูอาหารการบริโภคของเราคิดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งกว้างขวางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านพูดในพระไตรปิฎดกดท่านบอกว่าถ้าหากว่าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญา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 อยู่สวรรค์ชั้นจา่าตูมกับหมู่ญาติจากนั้นก็คงจะมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาตินนท่านก็ไม่ได้บอกเอาไว้เป็นพระพระสุรบัลเกรดไหนคือเกรดอีคือเกรด e, เรดพระสุรบัลเกรด A ลงมาเกิดเพียงชาติเดียวก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันธ์ถ้าเกรดบีสมชาติเกิดมาได้เกิดสามชาติจากนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันธ์ ถ้าเกตสก็เรียกว่าสตุขคตะประมะในพบาลีนะว่าเกตสองนะ่ก็คือเกตบี B, นี่เท่า้เอะเอกพีสีโกลังโกละที่อ 3, สองโกลังโกละเกตสามนี่สตุขคตะประมะเกิดเจ็ดชาติแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าพิมิสาน่าจะเกรดไหนคงจะเป็นเกรด A ก็มัง้ง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 ปิตุขาตคือฆ่าพระบิดาแล้วจัดในอนันตริยกรรมห้ามาตุขาตฆ่ามารดาปิตุขาตฆ่าบิดาอารานตะขาตฆ่าพระหัน์โลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตให้ห้อสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันบาพาอย่างไม้บาปหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ในปาราชิบของผู้นับถือศาสนาห้ามสวรรค์ห้ามนิพพาน ไม่มีสวรรค์ น, นิพานโพนี้มีตะลงอเวจีมหานรกเท่านั้นถ้าว่าใครอยู่ในอนันตเรียกรรมห้านี้อันนี้คือพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้จากนั้นก็ต่อมาที่นี่พระเจ้าชาตาิสตรูกระสมครบกับพระเทวทัตพระเทวทัตก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าจะนั้นก็จ้างนายขมังทนูไปเพื่อดักยิงพระพุทธเจ้าก็ไม่สำเร็จพระพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธ จากนั้นพระเทวทัตปล่อยให้พระเจ้าชาตอสาชาติศัตรูปล่อยช้างนาฬากิริณเพื่อจะมาบทขยี้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ช้างนาฬากิริณออกมาก็เหมาะช่วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระเทวทัตไม่หนำใจขึ้นไปบนภูเขากิจกุฎกลิ่งก้อนเห็นออมาเพื่อจะให้ทัพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาฝ่าเท้ารองรับถ้าว่าไม่เจ็บเฉลยเทวทัตก็จะ โอดอย่างมากเทวทัตกุมัวแตดไปโดยไปสู่อ ย, ยุอเวจีพระพุทธเจ้าหินป่าเท้ารองรับอย่างพโลหิตให้ห่ อ, อพอเทวทัตเห็นไหมถึงจะไม่ตายกับฝ่าตีนฝ่าเท้าหอกก็แล้วกันฮะในใจน้อยนึงแต่ตอนนี้ก็พระเทวทัต ย, ยังคิดอยู่ในใจจนถึงครั้งสุดท้ายก็เนี่ยแผ่นดินสู่พระเทวทัตซะ ก็เลยจบไปแต่นี้กขพระเจ้าชาติดูพอเห็นลูกพี่แผ่นดินสูบแล้วจะออใจวันไหวไว้แข ว, แ ว, แวงเนี่ยกลัวบาปจะไอข้าจะเป็นยังไงอีกอคนที่สุดก็เลยนายหมอชีวโกโกมารพัฒน์นายเดือนสิบสองเป็นเดือนนายเราจะไปที่ไหนดีมีคนเสนอวัด น, น่าจะไปกราบพระพุทธเจ้ า, าจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะเราจะต้องได้รับการศึกษาที่ดี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 ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่เป็นสําเร็จพรั ส, สดูตาบัต์เนี่ยก็เลยแนะนําพอแนะนําเสร็จแล้วพระเจ้าหมอชีวกโคลมาลพระที่เป็นผู้นำเขาไปกราบก่อนนีไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสเอา้ามาได้เนีหมอชีวกเลยมาบอกพระเจ้าพิมพิสารที่รออยู่หน้าประตูวัดป่าเวลุวันจากนั้นก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุธอก็แสดงธรรมให้ฟังพระพุธองค์ไม่มีอะไร แสดงธรรมะให้ฟังพระเจ้าซาสตรูได้ยินธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าน่ยโอ้ยซึ้งในจิตในใจเพราะในจิตในใจแตัวก่อนมันมันมีแต่พยาบาทอาฆาตใช่ไหมแต่ทีนี้พอได้ฟังธรรมเทศนาในคราวนี้น่ยมันหมดความอาฆาตในใจเพราะกลัวที่วระเทวทัตกับลูกพี่ใหญ่กับแผ่นดินสูบแล้วเนี่ยน่ก็ใครว่อ ย, ยอมสิโลราบเลยสิฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าปรเทศให้ฟังพอเทศออกมาจบแล้วพระสงค์ก็ถามได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าอาซาจัตรูเนี่ยเมื่อขอได้ฟังทำในครั้งนี้ดูสิว่าเขาเขารบธรรมะของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นธรรมะที่โอ้โหเหมือนกับทองฟ้ามาหาสมุทรเอ็มไปด้วยน้ำที่ใหญ่ไหลยเย็นส่ำสะอาด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 ฆ่าพระบิดาและสำเร็จโทษพระบิดาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สําเร็จชาตินี้ยังไงเขาก็ทําบุญทําดีไม่ได้ดีทํามีทำชั่วได้ชั่วแน่ทําบุญไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้ฆ่าพระบิดานะะเขาจะได้สําเร็จพระโดาบัณฑ์ฝังเทศในวันนี้พระพุทธองค์พยากรณ์ได้ทํานายแต่ขยับพอดีอยู่นะ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 แต่ใครนอจะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้ากลุ่มหนึ่งก็โอ้ข้าพเจ้าได้สาเร็จพระสุดาวันแต่ใครหนอจะสอนให้ถึงพระสกทาคารมีอนาคามีพระอรหันต์พอพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วทำให้ข้าพเจ้าเนิ่นช้าต่อไปอีกคือสรุปแล้วก็คือพระที่ได้ยังไม่ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีความพิตกกงังวลต่างคนก็ต่างคิด แต่พระอรหันตผู้ที่ได้สาเร็จพระอรหันตแล้วเออจบมีตะปองความสรดโอ้พระพุทธเจ้าโปลมมครูของพวกเรานี่หนอสั่งสอนพวกเราได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลแล้วพระองค์ก็เป็นผู้ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ไม่มีไม่มีใครที่จะอยู่โจฟ้าดินสลายได้หนอพระองค์ก็ถึงจุดปรินิพานเสแล้วแต่ก่อนก็เป็นที่พึ่งของ เ, เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ในพระองค์ ได้ปรินิพานแน่นอเกิดความสรุปสังเวทใจเจะมีแต่ปงปงทำสังเวทในใจของพระอรหันต์ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากไปโดปงตกปงในทางที่ถูกต้องออแต่ว่าพระแก่องค์เนี้ยที่เป็นลูกศิษย์พระมหากัะสป่านี่กลับคิดไปอย่างอื่นอีกเนี่ยเออพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกว็ดีแล้วเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะไปร้องห่มร้องไห้ทําไมเพระพุทธเจ้าตายไปแล้วดีแล้วเพราะว่า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 พระมหากัสปะชมูไม่ได้ถ้าว่ามีคนพูดอย่างพระองค์นี้พุทธศาสนาจะอยู่นานจากเท่าไหร่คงจะไม่มีคงจะอยู่ไม่ได้นานเพราะมีการจ่วงจาบอย่างร้ายแรงเพราะนั้นควรจะมีการประชุมหาหรือสงอควรมีสังฆานาพธรรมวินยัยให้เป็นหมวดหมู่จากนั้นพระมหากัสปะก็ เ, เรียกประชุมสง มีพระอนุรุทธะกัตถปะอาโ น, น์มีพระขีนาศพทั้งหลายมีพระหันทั้งหลายเอาห้าร้อยองค์แต่พระอาโ น, น์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่ในช่วงนั้นยังไม่ถึงหยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระหันต่ไี้จะทำยังไงถ้าว่าจะมีการประชุมวันพุ่งนี้มลือนี้ ก็ไม่ได้เพราะว่าพระอนุลขาดพระอนุลไม่ได้ในการทําสังขารนานเพราะพระอนุลเป็นพระหุ้สูตเป็นครังพระไตรปิฎกเป็นครังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพระอนุลจะได้เป็นพุทธะอุปถากระพรอภอจากพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่ใดกลับมาแล้วก็ขอให้พูดแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังเป็นรอบที่สอง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 พอมาแล้วก็มาพูดให้พระอนุ์ฟังเออวันนี้เราตะถาโตไปกรุงสาวัตถีนะไปพบกับเศรษฐีเขามาทําบุญเราได้แสดงทำให้เขาอย่างนี้อย่างนี้นี้พระอนุนก็จำเอาไว้พอต่อไปภายภาคหน้าจะมีคนถามท่านอนุนผมผู้ได้แก่เสด็จไปกรุงสาวัตถีในคราวนั้นไปแสดงให้แทงทําให้พวกเศรษฐีฟังหรือพวกกษัตริย์ฟัง อ, อท่านรู้ไหยป่านลนรู้อะ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 อานนท์เสียใจร้องให้อน้ําตาพูดฝ่ายเพราะอายุแปดสิบปีแล้วนะพระพุทธองค์บอกว่าอาะนร์นทร์เราจะได้อีกไม่นานจวนจะสว่างเราจะปรินิพพานนะพระสงฆ์ทั้งหลายนะเพระนรินท์ก็นั่งอยู่นั้นนะก็ถามพระนรินท์ก่อนเมื่อพระพุทธองค์จะปรินิพพานไปแล้วจะให้ข้าพระองค์จัดการกับศลีละของพระพุทธองค์อย่างไรพระเจ้าค่ะ พระองค์บอกว่าอย่าเลยอนุนเรื่องสรีระของเราเป็นหน้าที่ของมัน ล, ลักรศัตไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายให้ตั้งใจภาวานาให้ตั้งใจปฏิบัติให้เผากิเลสให้เหงื่อแท่งให้เป็นพระโสดาสกทาคาอนาคารหาร น, นั่นแหละเป็นหน้าที่ของพวกท่านแต่เรื่องสรีระของเราเนี่ยเป็นหน้าที่ของมัน ล, ลักรศัตเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องประชุมหรือจัดการไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์ นะไอ้พวกท่านทั้งหลายเผากิเลสก็แล้ววันแต่พระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกว่าใช่พระเจ้าค่ะไม่ใช่หน้าที่ของข้าพระองค์ก็จริงอยู่พวกข้าพระองค์ก็จริงอยู่แต่เมื่อพระองค์ปริณีผานลงไปแล้วพวกมลกษัตริย์ก็จะถามพวกข้าพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์จะจัดการกับศลีละของพระพุทธเจ้าอย่างไรและจะให้พวกข้าพระองค์ตอบเขาอย่างไงพระเจ้าค่ะฮะ พ, นนพระนนท์ฉลาดนะพระองค์บเออถ้าเขาถามอย่างนั้นก็ให้บอกเขาว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานแล้วเ อ, อให้จัดการอย่างพระเจ้าจักรพรรดิออจัดการเหมือนเขาเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิสวรรค์นะรบพระนนทก็กราบทูลถามอีกว่าพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตเนี่ยเออ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 ใส่หนุ่งแต่งตรงทรงตัวให้พร้อมจากนั้นก็เอาสำลีชุบด้วยน้ำมันที่หงด้วยร้อยครั้งหงน้ำมันหงน้ำมันหอมนะทีน่น้ำหอมหงอีกตั้งร้อยครั้งคือละเอียดมากแล้วก็ชุบด้วยสำลีแล้วก็พันประวกายของพระเจ้าจากักรพรรดิจากนั้นเอาผ้า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 ที่ไม้หอมมีไม้หอมนานาชนิดแล้วก็ถวายพระเพลิงพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ก็คือพระพุทธองค์สั่งเสียบอกกล่าวกับพระอานุ์พอพระอานุ์ได้ยินเท่านั้นโอ้โหวาดมรนูภาพไปตามตีทำยังไงนะโอ้โหเผาพระพุทธเจ้าในแดเออพระโอ้โหขาดยังเป็นพระสูรตาบันยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระรหันเนี่ยเพราะพระอาจารย์ก็ตายไปเสียแล้วเหมือนกับ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 ออกมาก็มาเกาะลูกกลงลาวบันไดยอยู่ข้างนอกศาลานะร้องไห้เลยทีนี้อายุ80ปีผมผ้าจีบอนสันเทิมไปทั้งองค์พระอา น, นุ์ร้องไห้เสียใจอย่างมากคิดว่าเรายังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์แต่นี้พอพระพุทธองค์สั่งเสียเสร็จแล้วพระอา น, นุ์ก็หายเงียบไป พระ อ, องค์ก็ถามว่าอานนท์หายไปไหนพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอานนท์ไปเกาะที่เลาวลูกกองบันไดาลาวลูกกองที่ทางขึ้นมาทางบันไดคือบอกเกาะหัวสิงห์วะนั่นในบันไดที่จะขึ้นมาสาลาร้องไห้อยู่พระเจ้าค่ะพระสงฆ์พระพุทโธงบอกว่าเรียกอานนท์มานี่ไปเรียกมา พระสงฆ์ก็รีบไปบอกพระนวลก็ขึ้นมามากระราบพระพุทธเจ้าบอกอานอน์ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านก็ทําปฏิบัติหน้าที่อุปถาเนี่ยไม่แพ้ อ, องค์ก่อนดีหมดทุกอย่างเราไม่ได้ตําหนิท่านเลยแม้แต่หน่อยเดียวในการดูแลอุปถัมบัตถาเราสถาคกท่านทําดีถูกต้องหมดทุกอย่างแต่เอาเถอะจากนี้ไปสามเดือน จากวันนี้ไปสามเดือนท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์จากนี้ไปสามเดือนนี่พระอนณนพอได้ยินคำนี้เท่านั้นแหละชื่นใจขึ้นมาทันทีชื่นอกชื่นใจโอ้โหข้าจะได้สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนหนึ่งไม่มีสองอที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ลวหนึ่งไม่มีสองอันนี้เราจะได้สำเร็จสบายใจขึ้นมาเท่านี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 พอหยุดพูดจะทําการปรินิพานเลยถึงทำการปรินิพานจาการร น, า น, านั้นพระอนุรุทธะที่เป็นอัครสาวกที่เป็นพระลูกคล้ายๆว่าเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับพระอนุ์เหมือนกันคือพระเจ้าจุดโทธนะเนี่ยเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าเนดะ็กทีพระเจ้าจุดโทธนะจุดโทธนะสุโกธนะโทโตทนะเ อ, อ โ, โทตรนะอมิตาปมิตาอมิตาคือผู้หญิงสองคนสุดท้ายที่เป็นแม่พระเทวทัตแต่ว่าเป็นคนไหน เ, นเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องกับพระอนุรุทธะกับพระอานุนเนี่ยแต่เป็นสุโกธนะชุดโททนะสุโกธนะโทโตธนะอมิโตะอมิโตทนปามิตาอมิตาจากนั้นท่านก่อพระอนุรุทธะเนี่ย ว่าเป็นน้องเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งเข้าฌานสมาบัติตามพระจิตพระพุทธเจ้าเลยทะนี่อตามพระจิตค่อๆบอกพระองค์หยุดพูดแล้นะเงียบพระสงฆ์ท่านเลยเงียบอพอเงียบไปช่วงระยะหนึ่งพระสงฆ์ก็ถามพระอนุรุทธาพระพุทธเจ้าปฏิเนปันอะไรอย่างพระอนุรุทธว่าอย่างเดี๋ยวนี้พระองค์กําลังเข้าสู่ปฐมฌาน ประชงานตุชาชา ต, ติช า, ชาญตติชานจตุชาญและ้ะอาการนันตาเจตนาเนวสัญญานาสัญญาจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติสรุปแล้วก็คือเข้าชาญถึงชั้นที่เจ็พอชั้นที่เจ็ขยับลงมาชั้นที่หชั้นที่ห้าชั้นที่สี่ชั้นที่สี่คือจตุธาชานเป็นชาญที่นั้นล่ะเป็นชาญที่ ต่ำลงมาจนี่ยจนปฐมมชานพอปฐมมชานท่านพระสงฆ์ก็ถามอยู่ชั้นไหนพระจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับไหนพระนรุทธเถระที่เป็นพระรหันต์เป็นผู้รู้จักปริตะรู้เรื่องจิตใจของคู่คนรู้ว่าใครคิดเรื่องอะไรท่านตามตามพระจิตของพระพุทธเจ้าพอตามไปถึง รูปประชานกับอนรูปประชานอรูปกับรูปรูปก็คือฌานที่สี่รูปประชานอรูปประชานก็เดินไปตั้งแต่ฌานที่ห้าพระพุทธเจ้าปรินิพานในระหว่างฌานที่สี่กับฌานที่ห้าระหวา่างยังไม่ไม่เข้าสู่ฌานที่ห้าแต่ผลออกมา จ, จากฌานที่สี่พระพุทธองค์ปรินิพานในระหว่าง ฌานที่สี่กับฌานที่ห้าปรินิพานจากนั้นพระอนุทุธาบอกว่าพรอพุทธองค์ปรินิพานแล้วหมดแล้วไม่กลับมาอีกแล้วจบแล้วพระองค์ปรินิพานในระหว่างฌานที่สี่กับฌานที่ห้าจากนั้นก็องค์ปรินิพานจากนั้นก็จบแล้วจะนลยกจัดการจากนั้นก็พวกที่ร้องห h o ร้องให้ก็ว่ากันแล้วจะเลยนะ นะพระแก่ที่ว่าเน้่แต่เห็นคนร้องห่มร้องไห้ก็พูดไปอีกแนวหนึ่งนะจากนั้นก็เมื่อพระสงฆ์ทางหลายจัดจรีระของพระพุทธเจ้าแล้วได้เจ็ดวันนเมื่อพระพุทธเจ้าปริทิพานในช่วงนั้น่ะพระมหากัะสปะเทเรย์ยังไปเที่ยวเที่ยวทุดงอยู่เลยยังเที่ยวทุดงอยู่ พอเห็นดอกมณทาตกลงมาบนสวรรค์ก็เลยโอ้พระพุทธเจ้าเป็นอะไรก็ได้สืบทราบข่าวว่าพุทธเจ้ามาถึงกรุงกุชินารา อ, อยู่ที่อุทยานของพระเจ้ามรรกษัตย์ปรินิพานแล้วพระมหกากัจจาก็พาบริวารห้าร้อยเดินลัดมาเลยเลยถึงเจ็ดวัดเทวดาทั้งหลายเมื่อเมื่อเอา ชลีละของพระพุทธองค์ขึ้นบนใส่หีบเหล็กแล้วลางเหล็กแล้วนะ่ยนะยกขึ้นบนเชิงตะกรนนะ่ยจะเอาไฟจุดนะ่จะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเทวดามองไม่เห็นตัวนะพอเอาไฟจี้เข้าไปดับพิ้วพอจี้เข้าไปดับพิ้วนะเล<อ>จุดใหม่หมเหมากันนะเออคนเลยถามว่าทำไม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 กราบพร้อมกับพระสูง500ร้อยพอมากราบขึ้นมาแล้วฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าโผล่ออกมาจากหีเปลือกกั น, นันนคือในพระในพระไตรปิฎกท่านพูดอย่างนั้นนะพระมหาการสป่าก็เอาศีารษะเข้าไปใส่ฝ่าเท้าพระพุทธเจ้าจากนั้นก็อดเข้าไปพอพระพระมหาก็จะปลดถอยหลังออกมาพ้นเท่านั้นแหะไฟลุกขึ้นมาเองมนุษย์ไม่ต้องจุดอะไระ เทวดาเป็นผู้ถวายพระเพลิงในสรีระของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็มีการแจกบแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุกันนี่แหละอันนี้คือมาพูดเกี่ยวกับเมื่อพระพุทธเจ้าประสินธิพานไปแล้วทีนี้พระมหากัสตปาพูดกับพระอานุ์กับคณะสูงว่าเราจะมีการสังขารนายอย่างไรไหมเพราะว่าพระแก่ที่บวชมาเนี่ยพูดกล่าว อย่างนี้ช่วงจากอย่างนี้ไม่เป็นมงคลพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นด้วยก็เลยนะัดเราจะไปชุมกันที่ไหนกรุงราชคักยเพราะว่าพระเจ้าสาจตรูเป็นศาสนปาปถมพกให้พระเจ้าสาตทรูเป็นเป็นสมาทิฏฐิขึ้นมาเลยเนเนี่ยเพราะนั่นแหลพะพระสงฆ์สั่งยไรับทั้งหมดใช่ไก็เลยจัดประชุมที่สัตตะวนคูหาก็ให้พระสงฆ์ไปดู สถานที่จัดสถานที่พระเจ้าประชานสตูนเป็นสาสนรณประธรรมพกในตนี้เนี่แหละหลวงพ่อว่าทําให้พระเจ้าศัตรูเอล้างบาปกรรมจุดนี้พอสมควรในการจัดทําสังขารยนาในครั้งนั้นแต่ก็ไม่พ้นพราะอะไรเพราะาอนันตริยกรรมมันหนักหนักจนเกินไปเอจนไม่สามารถที่จะไปสู่สวรรค์ได้แต่ว่าทำก็ทำได้อยู่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 ถ้าจะทำก่อนได้ไหมได้กระพานนลเป็นพระโสดาบันก็เป็นประวัติศาสตร์ออกมาว่าพระสงฆ์ทั้งหลายประชุมในวันทำสังคายนายนั้นมีอยู่499รูปมีพระอนุลนองค์เดียวยังเป็นพระโสดาบันเฮมันจะเป็นประวัติออกมาเฮคนโบราณเขาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่นี้ก็ในเมื่อพระอนลได้สาเร็จเป็นพระหรหัน วันเดือนวันจุดท้ายนะเพราได้สำเร็จเป็นพระหรหัน์วันนั้นก็ประชุมสงฆ์ในวันนั้นเลยแต่ที่เมื่อพระอ น, นุ์สำเร็จเป็นพระหรหนะัน์นี่ก็นาศึกษาอีกเหมือนกันนะคือพระอ น, นุ์ก็นั่งภาวนาบมเพ็ญอย่างเต็มที่ท่านจะได้สำเร็จอายุ8ปดสิปีแล้วนะ่ะ อายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้าทังก็บัาเพ็นอย่างเต็มที่พอบันเป็นวันนี้แหละสามเดือนครบวันนี้แลพอนั่งภาว น, นาบาเพ็ญไม่ได้สำเร็จจนถึงจวนสว่างโอพระพุทธเจ้าทำนายบอกว่าเราจะได้สำเร็จเป็นพระหันในคืนนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี่อีกสามเดือนข้างหน้า แต่ก็ไม่ได้บอกกําหนดว่าเวลาเท่าไหร่แต่นี่เราก็ปําเพ็ญอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ได้สําเร็จวันนี้คงจะไม่ได้สําเร็จเสียแล้วก็มัง้งฮะเพราะพระอาทิตย์กําลังจะโผล่ขึ้นมานั่งและออกจากสมาธิจะนี่นแล้วก็จะเอนกายเลยไม่ไหวแล้วกัเหนื่อยอายุแปดสิบะเนี่ยเอนกายกําลังจะทอดกายลง นอนไปกับ เ, เองกายจะหนอ่อคงจะไปบินทบาทลักษณะอย่างนั้นน่ะในขณะที่เองกายลงนั้นน่ะพระอนลได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ในขณะในเจ้าว่านั่งก็ไม่ใช่จ้าว่านอนก็ไม่ใช่ในระหว่างเองระหว่างเองกายพระอนลได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เจ้าว่นั่งก็ไม่ใช่จ้าว่นอนก็ไม่ใช่ลักษณะเองสตรีระเองกาย ก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันในขนานเออจบแล้วจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไวเลยนี้ก็พระสงฆ์ทั้งหลายทั้ง499รูปก็นัดเวลาได้เวลาแล้วก็เข้าไปไประชุมนั่นนงตามอายุพรรษาใครพรรษาเท่าไหร่ก็รู้กันเนี่ยพอเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันเป็นพระรหันทั้งหมดจากนั้นพระอ น, นุ์ก็ไปที่หลังเพื่อนใครเข้า พระบางองค์ที่ไม่มีญาณทัศนะก็มีอยู่เป็นพระหรหันต์ก็มีอยู่ที่ไม่มีญาณทัศนะคือพระโสดาภ า, าราหันมีอยู่สี่จำพวกสี่จําพวกนั่นคือสุขวิปัสสโกใกล้เขาว่าตัวเองภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์และกระจบไม่มีความรู้ไม่มีไม่รู้อดีตอนาคตย ร, รู้แต่ว่าสําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้วเท่านั้นแหละอันนี้คือสุขวิปัสสโก เตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตนพระรหัสสามจำพวกนี้มีมีฤทธิม์มีเดชมีอิทธิฤทธิตู้จักอดีตอนาคตเหอเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้พระรหัสสามจำพวกนะี้เตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตนแต่พระหรหัสที่เป็นสุขะวิปัสสโกนเพียงตรู้ว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระหรหัสเนี่เพราะฉะนั้นพระอ น, นุ์ก็ท่านก็อยากจะให้หมู่เพื่อนรับผู้รับสาว ผมได้จำเร็จนะเนะี่ยลักษณะอย่างนั้นแต่ี้พระสงฆ์เขาเป็นนั่งพร้อมกันเขาก็เว้นที่พระอนุ์ไว้ตรงกลางพระอนนุ์เป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่มีอายุพรรษามากเขาก็เว้นที่ตรงกลางไว้ทิ้นพระอนุล น, นั่งแต่นี้พอพระสงฆ์พร้อมหมดทุกกงแล้วพระอน์ลพดขึ้นมาตรงกลางเลยอให้เราเข้ามาตรงกลางขึ้นมา นั่งอยู่บนตรงกลางอาสนะเลยพระสงฆ์ทางหลายทั้งสุขภิปัชโกเตวิชโชสละพิญโยปิฏิสัมพิทัปโตรู้แก่ใจว่าท่านอานอนุ์สําเร็จเป็นพระหรหันแล้วเป็นผู้มีฤทธิ์ขึ้นมานั่งบนอาสนะตรงกลางแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็จักนั้นพระป่าหาคตปะก็ประกาศเออเอาพร้อมแล้วแตนี่พระสงฆ์ทั้งหมดห้าร้อรูปล้วนแล้วแต่เป็นพระหรหนันถูกศี์พระพุทธเจ้า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 หลายเรื่องในในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่คล้ายๆแบบพิธีการที่จะชำระวินัยทํำยังไงพระอง์บอกให้จากนั้นก็ไปชำระจากนั้นก็พระอุบาลีเป็นผู้เลิศของพิสูจ์ทั้งหลายเออเอาให้ท่านอุบาลีเป็นผู้วิสัชนานะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็นั่งร้อมรอบก็ถามนะั่นเองท่านอุบาลีพระพุทธเจ้บัญญัติวินัยข้อแรก ใครเป็นคนกระทำผิดกระทำผิดที่ไหนเรื่องอะไรอแล้วก็ผู้ที่ทำต่อมาอีกในเรื่องเดียวกันนะั้นนะอนุบัญญัตนะิคืออะไรถามลงมาอาพระบุรีอุบาลีกับวิัชนาให้ฟังเลยสินะ เ, เป็นอย่างงั้นยังงั้นอยังงั้นอย่างงั้นชิกาบทที่สองเป็นยังไงที่สามเนี่แหละคือพระมหาคตปะพร้อมกับพระสงสังขาร ย, ยนาจากนั้นก็จบจําเลยสินะ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 ลูกหลานได้ฟังเกี่ยวเนื่องมาจากพระเจ้าอศาศาตสัตตรูหรือพระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทําไมจึงพูดเกี่ยวกับการสังขารเจนายด้วยก็คือพระเจ้าอศาซาตสัสตรูเนี่ยเป็นพุทธศาสนาประถมพกเป็นผู้จัดการเรื่องดูแลพระสงฆ์ทั้งห้าร้อรูปในพรรษาเรื่องอาหารการบริโภค ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเจ็บที่พักพาใส่พระเจ้าชาติตูเป็นพุทธศาสนูประถมพกทั้งหมด่อันนี้ก็คือเราจะไปพูดแต่พระเจ้าเป็นดินข้าพ่อเปิดหมู่เทวทัศน์อย่างเดียวน ะ, ะก็คือมองมันอีกมุมหนึ่งแต่วันนี้เทวพระเจ้าชาติตเนี่ยท่านก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวท่านก็ได้ช่วยเป็นพุทธศรราสนาปถะมพกแต่ดูแลบำรุงพระพุทธศรราสนา เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่แหละการมองคนต้องมองอย่าไปมองมุมเดียวข้างเดียวมองด้หลายด้านนะจากนั้นก็มาบวกรบคูณหารดูอันนั้นะคือความชั่วก็คือความโอยแล้วล่ะไอความดีมีไหมแต่าบางทีความดีมีน้อยเออคนนี้มีความชั่วมากกว่าความดีแต่บางทีเออมีความดีมากกว่าความชั่วนะ แต่ว่าคราวนี้นพระเจ้าซาสตูเนี่ยความดีกับความชั่วในมากกว่านความชั่วมากกว่ามากกว่าความดีแต่ความดีก็มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะยับยั้งความชั่วที่พระองค์ได้ทำไว้นั้นกรรมของใครของเราอันนี้เพียงแต่เราได้เรียนรู้เรียนรู้ว่าเราจะเป็นเรียนแบบพระเจ้าซาสตูนะจะเป็นเรียนแบบผู้ที่ทากรรมชั่วเอาเรียนแบบที่พ้นที่สร้างตะกุลงามความดี คนที่สร้างคุณงามความดีอันไหนในที่หลวงพ่อได้พูดมาองค์ไหนพระอนนอย่านี้สร้างคุณงามความดีแล้วก็พระหมา ก, ะาะกัะสปะอย่างนี้แล้วก็พระสงฆ์มรรกษัตริย์มีเยอะแยะผู้ที่เป็นพระเอกการสร้างคุณงามความดีเราก็ยกท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างของเราสิ่งไหนกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่า เมื่อกำชั่วทำกำชั่วแล้วกำชั่วจะตามสนองวระนั้นเรื่องพระไตรปิฎกหรือว่าพุทธประวัติหรือสาวกประวัติหรือว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนาเดี่ยถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เรียนไ ม, ไม่ได้มาหาป ร, ริญญาน ะ, ะก็ได้ศึกษาในสิ่งเหล่านี้พอสมควรไม่ใช่อวดไม่ใช่คีดคุยหลวงพ่อศึกษาพอสมควรที่หลวงพ่อพูดไปทั้งหมดนี่นะ ให้พวกลูกหลานได้ศึกษาอ่านดูซิอ่านดูสิสศึกษาดูสิเป็นจริงๆอย่างที่หลว ง, งพ่อได้พูดใหม่หลวงพ่อมั่นใจเกินร้อยเละหลวงพ่อพูดตามที่ได้ศึกษาที่ได้เรียนมาในพระไตรปิฎกนะเพนั้นขอให้ลูกหลานพระลูกพารานทุกองนนะฟังไว้เราจะพูดแต่เรื่องธทำเรื่องภาวนาอย่างเดียว แต่วันนี้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาตลอดถึงอุบาสกุบาสิกาคือพระเจ้าประสเสนพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอช า, า, าจรูแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นอุบาสกุบาสิกาในพระพุทธศาสนาในครั้งกน้นให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาประดับสติปัญญาการพูดและการกล่าว สมุทนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิสักหน่อยละขอเลิกกันนะ